สิ่งนั้นย่อมถึงพื้นก่อนเปรียบดังกรรมสองอย่างคือกรรมดีและกรรมไม่ดีกระทําในเวลาใกล้เคียงกันกรรมที่หนักกว่าไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีก็ตามย่อมส่งผลก่อนกรรมที่เบากว่าย่อมส่งผลที่หลังและย่อมส่งผลทั้งสองแน่นอนไม่เร็วก็ช้าไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้า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 พึงอยู่ห่างไกลกิเลสท่านพระอาจารย์สำคัญองค์หนึ่งท่านปรารถนาพุทธภูมิคือปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าครั้นมาราลึกชาติได้ว่าเคยเกิดเป็นไก่หลายร้อยหลายพันชาติก่อนที่จะได้มาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ท่านก็เปลี่ยนความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเมาเป็นพระผู้ไกลจากกิเลสไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไป เพราะท่านสลดสังเวชชีวิตที่ผ่านมาแล้วมากมายแล้วหวาดเกรงชีวิตที่จะต้องพบอีกต่อไปนับพบนับชาติไม่ท่วนกว่าจะถึงจุดปรารถนาคือพุทธภูมิซึ่งไม่ใช่ว่าจะไปถึงกันได้โดยง่ายโดยเร็วจะต้องใช้เวลานา น, านแสนนานในอีกหลายร้อยหลายพันพุภูมิโดยไม่อาจรู้ได้ว่ากรรมจะนําให้ไปเป็นอะไร ลำบากยากเข็นอย่างไรซึ่งสำหรับท่านผู้ได้รู้แจ้งในอดิตชาติของท่านแล้วก็เกิดความกลัวยิ่งนักเบื่อหน่ายความต้องเวียนไหยในวัฏะสงสารยิ่งนักโดยความภาคเพียนพยายามสุดสติปัญญาความสามารถที่จะตัดพบชาติอนาคตให้หมดสิ้นโดยเร็วในที่สุดก็เชื่อกันว่าท่านพระอาจารย์สำคัญองค์นั้น ท่านก็สำเร็จประสงค์ถึงความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงได้ในภพภูมิปัจจุบันโอกาสที่กรรมจะตามมาถึงมีมากมายนักพยายามทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้กรรมตามทัน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 ดังนั้นพบชาตสาหรับคนเหล่านี้จึงยังมีอยู่มากมายนักใช้เวลานา น, านแสนนานนับพบนับชาติหาได้ไม่โอกาสที่กรรมจะตามไปถึงจึงมีมากมายนักไม่มีวันใดก็วันหนึ่งไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งและอย่าคิดผิดว่าเมื่อถึงวันนั้นเวลานั้นก็จะจำไม่ได้แล้วว่าเราเป็นเราอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เดือดร้อน